พระศาสนาพุทธเป็นคําสอนมีแต่โลกุตระทั้งนั้นคนที่ควรเชื่อได้ก็คือพระสวสดาวันในอเนยตระกูลเป็นแชคขับกวก่พระสวสดาวันพระบรมศาสด า, า, า, า, ารับรองแต่ทูตพระพนโนชุยายญาติสามีเท่านั้นตจำกว่านั้นไม่ได้รับรองไม่ได้รับรองว่าเป็นธมวจย์เบื้องต้นธมวชราสูตรใช่ไหมธมธมวชราสูตรใช่ไหมนั่นต่างกว่านั่นไม่รับรองก็รับรอง เป็นภรมิจาร์เบื้องต้นแต่ชุบปฏิป น, นูส่วนชุบปฏิป น, นที่เป็นฆราวาสก็ผิดกันแต่ไม่ในรงอุโบสถ ด, ด้วยกันเพราะนั้นเพราะเป็นคนละังเพราะเป็นคนละเพศบางท่านสำคัญตนเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเล่นอบายมุกอยู่ผมก็มาให้คะแนนผมค่อยใจว่าจะาตุ ก, กัดอมกิเดชจนถึงเกียร์ขาราการทำงานมนโทษหกที่องค์สมเด็จ พระมหาสมณเจ้าองค์ท่านคัดออกมาไม่เป็นภูมิพระสสดาวันทั้งนั้นผมว่าถ้าเข้าใจผิดจากนั้นมันก็ไม่ใช่ภูมิพระสสดาวันพระสสดาวันย่อมมีขอบเขตพระสสดาวันจะไปเชื่อเลิกดียามดีจะไปแกะต้นตะเคียนหาเลขอยู่นั่นไม่ควรเป็นโสพระสวัสดินโสดิ์ส ว, วัสดิ์ข้านีผมพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ยดายรงแล้วิดสินท่าถ้าไม่ใช่ยดาย อยากจะถือศาสตราอื่นท่านไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดท่านไม่ใช่ได้อยากจะคบเม็ดชั่วท่านไม่ใช่ได้อยากค้าขายเครื่องปหารค้าขายมลพษค้าขายสาเสตเนี่ยสารเสพติดค้าไปเนาหารค้าขายนำมันาขายาพิษถ้าเสียได้อยากค่าขายสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่ใช่ใช่พระโสดาบันถ้าไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมสัคยัติทิฏฐิหมายถึงเพียงไหนวิกิกิจขาหมายถึงเพียงไหนคีลรพตารามาสหมายถึงเพียงไหนเพหมายถึงเฉพาะผมคอยใจว่า สักยัติถีเป็นเหตุไม่ให้ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาเลยไม่แขนงดีกับพระพุทธศาสนาเลยนี่เรียกว่าสักยัติถีวิธิติชชาไม่สงสัยรูคปคมพระพุทธศาสนาเลยแม้ยังจะเดินไม่ถึงพระสักชาคามี อ, อนาคามีพระนันทปาตามแต่ก็ไม่ลงทางว่าจะแวะซ้ายและขวาและถอยหลังถึงจะเกิดอีกเกชาอธรมามาที่ยันติ ไม่ถือพบที่แปลกกอตามไม่ถอยหลังถึงจะเกิดอีกสามชาติเป็นโหลังโหละกอตามเป็นะตักกับตุ้ปรมาจากอตามจป็นเอพัตติธีก็ตามถ้าไม่หวังว่าจะถอยหลังและไม่หวังว่าจะแวะซ้ายแวะขวาเดินตรงไปคือความเห็นเป็นสมาธิฐเบื้องต้นสมาธิิเบื้องต้นก็สู่ปัจจเราดีๆนี่เองสมาธิิเบื้องปลายคือของอรหันต์ใช่หรือไม่ ทำไมไม่พูดเบื่อจำทีหรือคุณมหาธรรมะปฏิสันฐานปฏิสันถานโดยธรรมต่ว่าไม่ปฏิสันถานเนื้ออาเมสาปฏิสันถานอาน้ า, นามาน้าทำทําไมไม่เอามาเอามาแล้วนะั่นเอมาแล้วทีนี้ทํามะปฏิสันถานทีนี้เพราะคุณทําไมไม่พูดเตือนใจทําไม <c oughs> ยิ้มเลยไม่พูดเลย ใจหนักและเกินคุณมหาใจหนักแท้ไม่พูดเลยเนานจึงจับเจอกันพบกันเอออนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่เหมือนกันที่ยังไม่มาสุว่าณคอเคขาให้มาที่มาแล้วเขาให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเอาเป็นงานราชการเจ็ดอย่างเท่านี้พอแล้วพวกมหาเข้าใจไหมเท่านี้พอแล้วตัวนี้จําดีตัวนี้ ทีนีไม่ตอบสักคนเลยเก็บเลยตณีธรรมมัทรรียส่วนเพราะขันมหาตณีธรรมมัทเรียตณีธรรมธรรมมัทเริยอาวาสผมก็ไม่ตณีอาวาสมัทเรียตณีที่อยู่ตระกูลนะมัทเรียตณีตระกูลผมก็ไม่ตณีราภมัทเรีะตณีราผมไม่มีราพอที่จะตณีธรรมมัทรรียตณีธรรมวันนะมัทรียตณีวันนั้ ก็ไม่มีที่จะจะมีพระเกศแล้วผมห อ, อกแล้วแอบตอบฟันหากแล้วถูกไหไมที่อย่างไรมิต่ ย, ยิ้มมันขี้เกียจตอบแล้วเจงว่าน้องปู่จะเหนื่อยมนที่เกียจตอบแล้ ว, วันขัน ท่านวะทำแต่รบระบราดส่งต่อพระเนรพลเลยวย่ตอบท่านมหาทําแต่ระบระบาดส่งต่อพระเนรพลเลยว่าและมาในคำํำพิอะไรว่าทําแต่ระบระบาดส่งต่อพระเนรพนทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับบรารมีแก่ก้าเช่นพระพาหิระหิยะเป็นต้นเป็นแต่สักวารูสเป็นแต่าสาวกเห็นเออครับพอแล้วะบรารมีแกก้ามาแล้ว ทำแต่ระบาระบาด ส, ส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแล้วใช่อย่างนั้นผู้เผยชะตปุญญตาไม่ไว้ทําไมถ้าอย่างนั้นผู้เ ร, าญญาาาารชาตะปัฏิโยมีไว้ทําไมผู้เรชาที่จะสร้างมาในทางดีก็ดีทางซั่วก็ดนะีถูกไหมท่านมหาทำไมพาสิตธิ์เดียวคนหนึ่งฟังไปแบบหนึ่งที่คณะอัิเวคณะโคตรอยู่ท่ จุกระคาตาสุกรคาตาเขาคิดสะกูดภาษาอียิปตรทํางานพัดอยู่ข้างหลังเอาพระหัต์ไปกินแล้วทีคณะขรับคิเวศชนะโคดได้ดวงตาเห็นธรรมหรือถึงไตสนาคมถึงไตสนะ ค, คมกับดวงตาเห็นธรรมคืว่าเป็นอันเดียวกันถ้าไม่ได้ถึงดวงถ้าไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมจะถือว่าไตาสนาคมยังไงได้มันก็เป็นโลเกีอยู่ ถึงไตแสนงคมกับดวงตาเห็นธรรมมีความหมายอันเดียวกันขั้งอุตตรการเป็นโลคุตระสมาธิิไม่ใช่โรกีสมาธิอ้าวถามอีกถามอะไรก็ไม่ตอบถามอะไรก็ไม่ตอบเงียบเลยเก็บเลยที่ตณีแทะทำไมพระบรมศาลาจึงห้าม โมคะลาดถึงสามข้างไม่สามปัญหาตอบท่านมาหาเราจะหักเขาหักคิดทิอะไรหักคิดหักคิดคิดดดอั ต, ตวาทุปาทานใช่ไหมเพราะเราไม่รู้อหออนูอินีหรอกมีแต่พวกเราเท่นี้ <S 2> <S 2> <S 2> ถูกไหมท่าเหมอหักคิดทิดอั ต, ตวาทุปาทานให้ลดหย่อนลง พออัตวาทุกาตาลดหย่อนลงแล้วก็จึงเทศอนัตตาใส่สุญญโตโลโกโอเวกขตวนต้องพิจารณาโลกเป็นของศูนย์ถอนอัตานุทิศถิงความเห็นว่าตนซักเพราะคนนั้นเห็นตนสำคัญตนเราเป็นผู้ฉลาดในสังคมนั้นเหตุฉะนั้นจึงหักทิฏฐิไว้ไม่ให้ถามปัญหาขั้งที่สามจึงให้ถาม พระบรมศาสนาพูดอย่างนั้นหรท่านก็เพ่งเลยอัตานุที่ถึงขาดกระเด็นเลยอวิชาตัญหาอุปทานพบชาติชร า, านในณโสภเทวทุกทงนัตอุปาญาก็ไม่ต้องเรียงแบบก็ไม่ต้องถอยไปถอยมาก็ไม่ต้องอุตอโน롬ปฏิโลมเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าอภิชาตัดขาดแล้วอัตวาสุปาทานตัดขานแล้วอุปทานทั้งครวงก็แตกกระเจิงด้วยกัน วิชาก็แตกไปนาทีนั้นเองวิญญาณก็จะดับไปในทีนั้นเองวิญญาณปฏิสนธินึ่งทวงไว้ท่านมหาทำอะไรก็เงียบทำอะไรก็เงียบก็บ้าแต่เราคนเดียวถ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรก็เงียบไม่ตอบนลยท่านมหาตอบเงียบเลยคนเราไปอยู่ไปไปกับอะไรอยู่กับอะไร ไปกับอะไรอยู่กับอะไรคนเราซัดทั้งหลายไปกับอะไรอยู่กับอะไรจบท่านหาไปกับกรรมอยู่กับกรรมใช่ไหม ย, ยกแว่นพระอรหันต์ซะอะไรก็ไม่พูดอะไรก็ไม่พูดนั่งยิบอยู่เลยอี่ทำทั้งหลายย่อลงมาเอง jong ทำกิจให้เป็นผู้ใจถึง ในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าให้เป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติของตนอย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีตามสติกำลังของตน อย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทาชั่วเลยกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ไม่ได้ลาเอียงเข้ากับลัทธิใดศาสนาใดเลยเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุกรรมพืชผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชก็สงเคราะกันเข้าได้ส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วแต่เหตุกรรมพืชส่วนผลอะไรรับ จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหามีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันอยู่ทุกเรียาบทของจิตใจที่นึกคิดก็เว้นพระหันซะเรือนอกนั้นอยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นมีมโนกรรมเป็นต้นสายเหตุของกรรมทั้งหลายเหตุนั่งผลก่อนนั่งเหตุนึกคิดผลก่อนนึกคิด เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยเมื่อเหตุกับผลเชื่อมโยงกันอยู่ทุกเรียาบทของจิตยอย่างนี้เราจะไปสงสัยอ ม, มักผลนิพพานมันไม่มีมันจะไม่เข้าใจผิดดอกหรือความเห็นชนิดนั้นเป็นที่อบอุ่นของตนได้แล้วหรือยังอันนี้ก็ควรเช็ดยู่เหมือนกันดอกบัวสีเหล่ามีแต่ขั้งคุตตกาย หรือข้างนี้ก็มีอยู่เมื่อมีแต่ข้างพุพทธการก็ปฏิเสธได้เมื่อไม่มีแต่ข้างพุทธการก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาอย่างนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันทำไมเราจึงอาบน้ำพระปฏิเสธเครื่องสกรปรกไม่ได้ทำไมเราจึงพยาบาลร่างกายมีโรคเบียดเบียนเราก็ปฏิเสธจะไป ปฏิเสธเพศสัจขันไม่ได้อีกเหมือนกันทําไมเลยจึงปฏิบัติสินธรรมก็พระกิเลสเรามีอยู่จริงๆโรคโกดหลงมีอยู่จริงๆถ้าเราโรคโกดหลงมีอยู่จริงๆพระธรรมเพื่อระ ง, งับโวคโกดหลงก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกโรคโกดหลงมีอยู่จะปฏิเสธพระเนพานก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระานก็ต้องมีอยู่ถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสาดาจะสามารถรู้ทำได้หรือไม่ก็ไม่สามารถรู้ทำได้พระธรรมมีอยู่ก่อนทั้งโลภีและโลคุตระพระบรมศาสาดาจึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นจึงเคารพธรรมไม่สงสัยว่าจะอยู่เหนือธรรมเลย พระพุทธศาสานาพระบรามศาสานาทุกๆุ ก, ก, กองก็มามัญญะตรโลกีและโรกุตระอย่างเดียวกันใช่หรือไม่ไม่มีทำมาเพิ่มอีกแล้วมันไม่มีทำที่รุดอยู่เลยถึงจะสร้างมาระมีมาแก่กล้ามาก็าดีหรือไม่แก่กล้าก็ดีปัญญาที่กะวิทยะที่กะก็ดีศัท ธ, ธาที่กะก็ดีก็มีทำความหมายอันเดียวกันไม่ได้ลบล้างพรบอรกัอนเลยมันไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพระ ก, กฎพวกของชาวโลก ตั้งขึ้นตามยุคตามสมัยหมู่มากคลากไปเป็นประมาณถ้าหมูลล่เราหมู่มากหนักไปทางกิเลสก็ไปตกเหวหมดใช่หรือไม่ถ้าหมู่มากไม่มีกิเลสการตั้งหมดกฎหมายอันใดก็ข้อค้างที่ไม่มีกิเลสใช่หรือไม่อื mm. คำสอนของพุทธศาสนาบริบูรณ์หมดแล้วทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติเต็มภูมิแล้วใช่หรือไม่ถ้ายังสงสัยว่า คำสอนของพระพุทธศาสนาไม่บริบูรในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิใช่หรือไม่จะจัดเป็นสัมมาทิฐิไม่ถูกมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วอบายยมุกเว้นถ้าไม่เว้นก็เป็นมนุษย์วิบัติใช่หรือไม่พระสวสดาบันไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดศีลห้าใช่ไหม ไม่ใช่ได้แล้ว่วงละเมิดอบายยมุกใช่ไหมถ้าเช่ได้ร่วงละเมิดอบายยมุกไม่เช่ได้ล่วงละเมิดถือดัที่อื่นศาสธาอื่นปฏิเสธแล้วนักที่มสถานังงานยังสะนะอื่นของเราไม่มีพุทธธรรมสงศ์เป็นชนะของเราปฏิเสธทําไมมันจะไม่ไปกระทบกระเทือนสาธาอื่นหรอกหรือนั่น ก็ทักกระเทือนก็เรื่องของใครข้องมพาพ่อมีอิสระที่จะถือได้ศาสนาแต่และศาสนาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าดีมากดีน้อยมันเป็นเรื่องของแต่ละท่านและคนถ้าเราส่งเสริมพระพุทธศาสนาว่าดีกว่าลทัทธิอื่นอย่างนี้ก็เกรงกลัวมันก็ไม่ถูกยังกินจีรัตนังโลเกวิชิติวิธังอุธุรัตนังพุทธะมังนานติตัตมะโสตที่พวันตุเต นั้นอันใดในโลกนี้จะเสมือนมันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเราปฏิเสธไว้แล้วนะนั่นถ้าความปฏิเสธเกงว่าจะกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นก็เอาไปเผาไฟทิ้งซะพวกเราก็อยากให้มีตำรานั่นถูกไหมท่านน้าแล้วจะทำดีก็ขี้ขาดแต่ทำชั่วกับอาหารมันก็ไม่ถูกปีทีสหนาคตาธรรมมาเกิดขึ้น ปีติสาคาตาธรรมาอนัตตาธรรมมัคคารมนาธรรมามัคคารมอารมณ์ของผู้ถือพระพุทธศาสนาก็มักจะไปในทางกุศลผลบุญบุนิกยาวัตถุสิบไม่อันในก็อันหนึ่งใช่ไหมธรรมหาธรรมะไม้สีธรรมะอภจายธรรมะผู้ที่ถือพุทธศาสนาอารมณ์ของเขาไปในทางบุญมากใช่ไหมผู้ที่ถือว่าไม่มีบาไม่มีบุญ เสียงกำพูดแต่หลวงปู่ไม่ว่าเสียงคำพูดเสียงจอบเสียงเสียมขุดฝังตนเองเสียงถือว่าไม่มีบาปไม่บุญใช่ไหมนกหรู ป, ปูปีกจำเป็นจะมาเลื่อมสายพระพุทธศาสนาหมดแต่ยังไม่มีคิวในรูว่พระพุทธเจ้าองค์ไหนนะแต่กลับก็ยังสงไขยสงไข่กลับแล้วพระพุทธเจ้าจะมีกี่พระองค์นี่ก็บอกไม่ถูก ทำไมจึงมีผู้ถือศาสนาน้อยนักทำไมจึงเมืมเ่อมีแมลงผู้น้อยนักแมลงวันทำไมมากแค่อันกักนกกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนเอาละทีนี้ไปทีนี้เดี๋ยวจะเบื่อหูพูดงับ ง, งับอยู่การปฏิบัติไม่ผิดก็มีอยู่สามอย่างพระบ ร, รมศาสดาก็บอกแล้วอภันรนั ก, กปฏิปทาสูตร บอกไม่มดที่ไหนพระบรมศาสดาไม่บอกไม่มีเลยใครจะเก่งสักเพียงไหนก็จ้ามก็เลียมก้างพระบรมศาสนาใช่ไหมแท่มาหาแท่มาหาเลียมก้างขพระบรมศาสดาใช่ไหมเราก็เลียมเหมือนกันจะรู้จะเก่งสักเพียงไหนก็เลียมก้างพระบรมศาสดานั่นเองจะแกงกินตะกเวีดีสักเพียงไหนก็ต้องอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นแวนใช่ไหมไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนี่ยเอามาตั้ง จะดีเด่นสักเพ่ยงไหนก็ตามก็เร erm ิ่มตั ok ้างพระพุทธศาสนาจะดำดินบินโดนไปวันนี้ก็เริ่มตั้างพระพุทธศาสนาเหมือนกันใช่ไหมจะแตกสาแน่ไปซ้ำๆที่ท้อพิซซาสี่เดียวนี้ก็ตามก็เริ่มตั้งพระพุทธศาสนาสร้างยกให้เป็นของพระองค์เลยสิ่งไหนที่พระองค์ยังไม่ทราบเราไม่ได้ตีความหมายเลยสิ่งไหนที่องค์ท่านไม่มาเออเราก็ไม่เข้าใจว่าท่านไม่รู้ท่านรู้แล้วสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นนิยาณนี่ก็ทําก็ไม่ได้อนํามาสอนใช่ไหมก็ไม่ว่าแต่โรคจะรวนโรคราเทียมแล้ว สร้งเป็นสร้งเป็นจำปาสี่สี่ต้นสีเท่านะพระ อ, องค์สร้างบัรมีอยู่ห้าสิบชาตินะักเอ๋ยให้สูตายซะเรียกยักให้สูคืนมาซะคืนสู้รงรักษาสีลห้าเนื้อนั่งยังเก่งกว่าพวกจรวดนี่ใช่ไหม ภาษาอะไรพวกเจ้าวนถึงอย่างนั้นองค์ท่านก็ไม่ได้เอานํามาเอามาสอนเพราะไม่เป็นนิยาณก็ทําใช่ไหมมันใหามหาเน้นนึกไหมไม่ได้นึกยึกให้มหาให้คะแนนเขาเก่งเขาไม่เก่งถ้าพราะบรมศาสด า, า, าเราถูกไหมยิงถ้ธนูอย่างนี้ข้างอยู่เลยรัดไม่ได้นั่นมีน้องซ่อมจาไม่พูดรุนบ้า พระบรมาศาสดามาแต่ละครั้งว่าเขาโคล์ถึอย่างนั้นท่านจะยังอุตส่าห์สร้างประมีมาเจ็บเอาเป็นยุบเป็นยุบเป็นยุบเป็นยุบไอ้ดีเกินีไอ้ดีเกินท่านมาหาเนี่ยทมาหาโกรธสักทีไหมฮะมีบ้างนะวันนี้ว่าถึงอนาคามีายันอยู่หรือ มีบ้างนะถ้ามีโกรธบ้างอยู่ก็ยังไม่ถึงผมก็โกรธเหมือนกันแหละยี่โกรธมากผมท้ามาหานัติมตถีไมตายได้ไหมได้ไหมผมมีกิเกลีดเต็มภูมิผมนับได้คุณมาหาณ์ได้ไหมท่านพระมาหาสารีบุตรเมตถีไมตายท่านนับอย่างไงบ้างไม่แดนไม่ลมไม่ฝนท่านนับอย่างไรว้าท่านาา น, านับได้ผมมีเกลีดเต็มภูมิจเป็นท่าแผ่นดินผมก็นับได้ได้ นับยังไงสิที่เป็นของแข็งผมก็นับเลยเอกปัทวีธาตุคือหนึ่งดินสิที่เป็นของเหลวเอกอาปอธาตุหนึ่งน้ำเอกะเตชโชธาตุหนึ่งไฟเอกกวายโอธาตุหนึ่งลมถ้าจะมานับหนึ่งสองสามสห้าพูดจนถึงอสงขอสงขผู้เป็นกรรมการก็ผีบา้า ผู้นับก็เพียวบว่าเหมือนกันใช่ไหมทําไมมันไม่ตอบเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นครับเพอแล้วแต่ฉันในปเป็นได้คำพิธาสีด้วยในในทําในในรุดในปฏิพานทําไมยิ่งแต่ฉานเพระพิ่จะนาอนัตตาครับไม่สำคัญว่ผู้รู้เป็นตนไม่สำคัญว่ตนเป็นผู้รู้ไม่สำคัญว่ผู้รู้มีในตนไม่สำคั ญ, นนคญนต น, ม, ญนมีในผู้รู้อีกสองขานส่วนในเงิน ไม่สำคัญในผู้อื่นเป็นผู้ไม่สำคัญในผู้รู้เป็นผู้อื่นไม่สำคัญในผู้รู้มีในผู้อื่นไม่สำคัญในผู้อื่นมีในผู้รู้ในสังขารศูนย์ในเงื่อนสี่แล้วก็ไม่ถือมันใะอุปทานทั้งกลวงก็พอแล้วครับเขาเรียกว่าแตกแขนในปริศมิตรสีในอัตในทําในรูปในปฏิภาณ ใ, ใ, ใ, ใ, ใช่ไหมเหตุฉะนั้นพระบรมศาสนาจึงตรงสังเสริมแตกแขนในพริศมิตาสีผู้ภาวนาได้โชดเรนังและช่างทันฤทิอย่างนี้ก็เหมือนกัน ก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนาทาไมจึงแตกฉขนงวารีกรรมวิชาสีถ้าหะการให้ผมอตอบปัญหาแล้วทำเอกผมไม่ตอบเหมือนเก่าเนะ้อทุกวันนี้นเป็นบ้าผู้ภาวนาผู้โทผู้โทนะั้นเป็นธรรมะโดยศาสนาเท่าถ้าจะตอบให้ถูกในสนามก็ต้องบอกต่อว่าเป็นธรรมะเพราะสามารถถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นเอบอกในสนามหวง okay. แล้วผมไม่ตอบอย่างนั้นผู้ภาวนา พุทโพทโธนั่นถ้วว um um um ่ากันหรือทีัจจนาคองะคนนันก็ขึ้นอยู่ปัญญาสมมรู้แต่ละขั้นแต่ละคนเขาสร้างวารมีแต่ก้ามาแล้วหรืออบรมแต่ก้ามาแล้วก็ได้เมื่อมัพิจะาพุทพทโธอย่างนั้นฉันคำวอนในารว่ากีสังขารกับกิดแต่สังขารดับเกิดดับเกิดดับอยู่แต่คุณพระพุทธเําสงในเกิดดับเป็นี้จีสังขารคุณพ่อท่ ไม่ใช่สังขารคุณเป็นอนัตตาคุณที่ม่เกิดไม่ดับคุณพระพุทธธรรมพระสถึงเป็นนามะคุณก็ตามแต่เป็นคุณอันที่ไม่เกิดไม่ดับถ้าเขาพูดอะไรเข้าใจว่าคุณพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เกิดดับก็พูดนั่นเป็นนิจชาพุท ธ, ธิผมจะตอบอย่างนีน้เมื่อเห็นความเกิดความดับที่บริกรรมก็โธก็โธอยู่นะแต่คุณพองพุโทโธไม่เกิดไม่ดับเลไหนอย่งนี้จะว่าเป็นสมรถะมันก็ไม่ถูก ก็เป็นธรรมะได้พัฒนาธรรมพุท์กันถ้าอย่างนั้นธมพุทธกัะไยมว่าทาไมหรือว่าิรรตอบสิสมมตอบว่าเตาอะแบบปวดให้คะแนนห้องศูนอทยาลยเขีเียว่ายังไ้เละแรงหรอกถ้าอย่างนั้นผู้ภาวนาและโฉนดังมาชังธปตินั้นก็น่าจะเป็นสรถะทาไมยังแกล้งใช้แม่เปมิาศีล้าวหองนุกนั่นอีกครับปวให้คะแนนห้องสูนย์ห้อายาล บ้าอารมณ์เห็นไหมอารมณ์ทุนละบ้าระวอไปมันไม่รับมามันไม่ถือว่ามันลําบากดินหน้าไฟลมร่นร้วนความคิดว่าลําบากแล้วไม่ลําบากก็คือจิตใจเป็นผู้ถือดินหน้าไฟลมไม่มีใจคลองสิงมันไม่ลํา บ, บากกับ <Și> ใ <dynamics> <bits> คร <indistinct> และมันก็ไม่ยืนยันว่ามันเป็นดินด้วยมันก็ไม่ยืนยันว่าเป็นน้ําด้วยมันก็ไม่ยืนยันว่าเป็นมันเป็นไฟด้วยมันก็ไม่ยืนยันว่ามันเป็นลมด้วยมันก็ไม่ลําบากเหตุฉะนั้นมันจึงไม่มีอาการมันจึงไม่จึงไม่มีเวมีภัยกับใครดินน้ำไฟลมทีนี่เอาคําสอนของศาสนาษพุทธไปอธิบาย ซึ่งตัวไม่ยินดีในศาสนาพุทธเด้วยเราเอาของในศาสนาพุทธไปอธิบายมันก็ไม่เชิงเพราะความเลื่อมใสนับถือศาสนาพุทธไม่พอเลยเป็นเหตุให้ปกปิดซะเหตุฉะนั้นอัญชันสุเทศไม่ถือศาสนาอื่นจึงมีในอภิษฐานโทษยอย่างหนักหกคือผู้สร้างวารมีแก่ข้ามาเนี่ เป็นเมฆาสงสารเป็นสงสารสงสารอะไรสงสารหลมของไม่เทียมมาเป็นของเทียมหลมของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขหลมของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนหลมของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามจึงเรียกว่าโรกสงสารเพราะรู้ไม่เป็นจริงไม่รู้ตามเป็นจริงที่รู้ตามเป็นจริงคืออะไรคือคําสอนในพุทธศาสนาที่รู้ตามเป็นจริงทุกข์ก็รู้ตามเป็นจริงของทุกข์ สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็รู้ตามเป็นจริงของสมุทัยเหตุเกิดทุกข์มรรคข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็รู้ตามเป็นจริงของมรรคเพื่อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นิโรธเป็นผลของมรรคก็รู้ตามเป็นจริงของนิโรธเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจทั้งสี่ครอบแปดหมื่นสี่พระธรมขันธ์หรือไม่ก็ครบหมดทำใจระ บ, บาระบาดก็ครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์กไ็ไม่ทําให้อธิบายถ้าอาธิบายให้โยงถึงตามมรก็ถึงหมด ดินอันเดียอธิบายให้ถึงน้ำถึงไฟถึงลมก็ได้เขาดินน้ำไฟลมเป็นมหาภูตธาตุเป็นมหาภูาตรูปเกิดขึ้นได้ก็แ ป, ปรพลันแแจ้สลายรูปขันก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูปประธรรมก็ว่ารูปประธาต์ก็ว่ารูปเอินชีก็ว่ารูปขันก็ว่ารูปประโลกก็ว่า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 นามธรรมก็ว่านามโลกเขาว่านามังแปลว่าชื่อมันเพราะมันปรากฏเจยใจรูปังมันเป็นรูปมันเห็นด้วยตาด้วยนามังเฟย์ว่านามไป่ว่าชื่อของมันนามามังแฟยว่านามปรากฏ เ, เห็นได้ด้วยปัญญาด้วยตาในนามโลกก็ว่านามธาติก็ว่านามขันก็ว่า นามะอินซียก็ว่าเพราะเป็นใหญ่ในในนามเป็นใหญ่แล้วก็เกิดดับเป็นเป็นใหญ่ในทางเกิดดับก็มีเป็นใหญ่ในทางที่ไม่เกิดดับก็มีคําว่าอินทรีย์แปลได้สองทางพระนิพพานก็บัญญัติว่าอินรีย์เหมือนกันแต่อินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับส่วนขันห้าเรียกว่าอินทรีย์ที่เกิดที่ดับก็เรียกว่าอนัตตาทำเหมือนกันอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับพระนิพพานเรียกอนิจจังทุกขังไม่ไม่ได้เรียก เรองอานาจตาทำอานาจตาทำที่มัเกิดไม่ดับสอุปาทิเสสนิพานก็เหมือนกันส่วนขันห้าไม่ได้ใส่ชื่อเรานามพระนิพพานเชียแล้วถึงพระอรหันต์ทรงขั้นห้าอยู่ก็ตามเพราะท่านไม่ยึดมั่นถือมันในขั้นห้าจะว่าขั้นห้าพระอรหันต์มันก็ไม่ถูกจะว่าพระนิพพานพระอรหันต์ก็ไม่ถูก พราะ พ, พระอาหารไม่ได้จะถือพระนิพพานไม่ได้จะถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกเหตุ น, นั้นจึงยืนยันว่าสัพเพตมาอนาตตาที่ททั้งหลายเป็นานาตาหมายถึงพระนิพพานด้วยอนาตาฝ่ายเกิดดับคือก็คือกองนามรูปอนาตาอนาตาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็คือฝากกองนามรูปไปแล้วคือพระนิพพานพระบรมศาสนาหนานใจรู้ตามเป็นจริง เพื่อชนะความหลงของตนไม่ให้แต่งสังขารเบื่อสังขารนายสังขารเบื่อผู้ไปหลงสังขารเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองเบื่อดินก็อาศัยดินอยู่เบื่อผู้ไปหลงดินเราเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองอะไรมันพายาอะไรพาพูดอยู่แค่นี้ก็คือคิดตสังขารทําไมมีคิดตั้สังขารก็พูดในเพลน มีกิจตาสังขารอยู่ก็าตามถ้าธาตุเด่นน้ำไฟลมไม่สมดุลกันเขาพูดไม่ออกเหมือนกันเหมือนรถจิตตาสังขารก็เหมือนคนขับรถพระพุทธศาสนาสอนอะไรบ้างบางแห่งก็บอกว่าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นบางแห่งบางแห่งก็สอนว่าสอนให้ลดตาแหน่งกิเลส ไม่ให้มีรอบโกดหลงความยึดมั่นถือมั่นก็คือกิเลสความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือลดตาแหน่งกิเลสอันเดียวกันดินน้ำไฟลมมันไม่สําคัญตัวอะไรเลยมันไม่สําคัญตัวเป็นดินมันไม่สําคัญตัวมันเป็นน้ามันไม่สําคัญตัวมันเป็นไฟมันก็ไม่สําคัญตัวมันเป็นลมแต่จิตใจมันสําคัญลำบากเหมือนกัน ว่าลำบากข้อจิตใจถ้าไม่มีจิตใจก็ไม่ลําบากทําผิดข้อใจทําถูกข้อใจนี่น้ำไฟลมมันด้มาทําผิดทําถูกด้วยทําชั่วข้อใจทําดีข้อใจเป็นหัวหน้าก็ทําทอยู่นั่นพอใจที่มีกิเลสสิงกิเลสมันก็สายสายหันควาน้าหันกำลังหันเพราะมันไปบงังสติปัญญาไม่ให้รู้เท่าเมื่อขับกิเลสออกด้วสิ้นว่า ขับกิเลสออกด้วยสมาธิบ้างขับกิเลสออกด้วยปัญญาบ้างชินสมาธิปัญญากลมเกลืนกันอยู่แล้วกิเลสก็ดังควานไม่ได้ความหลงกิเลสมาอาศัยจิตหรือจิตอาศัยกิเลสนะถ้าไม่มีจิตมีกิเลสไหมกิเลสก็มาอาศัยจิตถ้าไม่มีพระอาทิตย์จะมีเมฆมาบังไหมก็ไม่มีเมฆมาบัง ท่านเปรียบเหมือนจิตใจเหมือนพระอาทิตย์หรือเหมือนเดือนส่วนจิเลศท่านเปรียบเหมือนเมฆเหมือนหมอกมาบางังแต่พระอาทิตย์ก็ไม่ได้บ่นพิไรลำพันธ์ว่ากิเลศมาบังตนแต่กิเลศก็ไม่ได้บ่นพิไรลำพันธ์ว่าน่าจะไปบังพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ใครเป็นผู้สําคัญตัวหาผู้สําคัญตัวดูสินี่น ผู้สำคัญตัวก็คือกิเลสใช่หรือไม่ถ้าสิ่งไหนไม่สำคัญตัวสิ่งนั่นก็เป็นของว่าสิ่งไหนสำคัญตัวสิ่งนั่นก็ไม่เป็นของว่าหนันของไม่จะของห่วงถ้าจิตใจไม่ีผู้ห่วงจิตใจก็มีพิษถ้าจิตใจมไม่มีผู้ห่วงจิตใจก็ไม่มีพิษไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันถ้ามีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของมันก็ต้องเป็นของไม่ที่มีพิษสิ่งไหนไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ไม่มีพิษสิ่งนั้นก็ไม่มีโทษเหตุนั้นฉะนั้นอัตวาทุ ป, ปาทานควยึดถือว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลยิงไม่มีในพระหรหันเหตุนั้นท่านจะข้ามทะเลหลงของตนไปซะความหลงมันมีหน้าที่จะมีอำนาจ พความฉลาดเหนือไปแล้วเหมือนแสงสว่างเหนือความมืดไปแล้วมืดไปมีอำนาจแสงสว่างกลางวันกลางคืนซึ่งเป็นรูปธาตุนามธาตุหรือเป็นอากาศธาตุหรือเป็นธาตุาอัญญามันก็สามารถขบุดคืนได้ส่วนพระนิพพานชวนพระปัญญาไม่สามารถจะขบุดคืนได้เมื่อเห็นสิ่งใดชัด ตัดความสงสัยแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ขบถืนเรามองดูโลกเห็นโลกเห็นอนิจจังชัดเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นของเที่ยงเราเห็นชัดเราเห็นมันเป็นทุกข์เราก็ไม่เข้าใจว่ขบถืนว่าจะเป็นของสุขอันนี้สำคัญมากถ้าเห็นชัดตัดความสงสัยอีก้วยส่วนอนัตตาเป็นธรรมละเอียดเพราะเป็นมันมีก้อนมีท่อ ถ้าอรหันต้องเห็นชัดอนัตตาอยู่ทุกอิริยาบถของจิตเลยเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนทธิของท่านจึงไม่มีส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงอรหันต์ก็เห็นทุกข์เพราะนั้นเป็นตนเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นเราเป็นเขาอยู่บ้างปะปนกันอยู่ภูเขาเหมือนกันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของใครไม่เห็นก็บอกว่าภูเขาภูเขาไม่รู้ว่าภูของใครก็เรียกกันเพื่อให้รู้จักความหมายสมมติปจิงตามสมมตุติแต่อยู่แต่อำนาจของอนิจจัง มิมุตก็จริงตามมิมุตแต่มิมุตมมของสุปิชยปโนยุโญยยะสามีจิไม่ขบวัคืนละได้เท่าใดก็ไม่ขบดคืนเห็นโทษเท่าใดก็ไม่ขบดคืนส่วนมิมุตต่ำกว่านั้นลงมาก็ขบดคืนเหมือนศิลาทับหญ้าเมื่อเอาย้าออกแล้วย่าก็งอกขึ้นเมื่อเอาศิลาออกหญ้าก็งอกขึ้นส่วนิมุตของพระสวดาวันไม่ขบดคืน เว้นเท่าใดได้เราก็ได้เท่านั้นสมมุติว่าทาหารไปตีฆ่าศึกตีได้เมืองใดเมืองเมืองไหนเมือง น, นั้นก็ไม่ขบดคืนถ้าขบคืนอยู่ก็เป็นโลจี่ไม่ขบดคืนเฉพาะจากกิเลสเป็นเอกเทศเหตุนั้นชุบเจพโน่จึงไม่ขบคืนเสีดายอยากร่วงละเมิดสินห้าไม่เสดายอยากร่วงระเมิอดอบายมุขไม่เสดายอยากร่วงระเมิด อยูยงคงกระพันไม่ใช่ได้ยากร่วงละเมิดถือเรื่องดีงามดีแม่กาตูว่าเรื่องดีงามดีไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดจองเวรท่านผู้ใดโปรดให้เขาอยู่แต่แเขาไม่จองเวรเพราะโปรดของท่านไม่สามารถจะลงนรกไม่สามารถจะไปเป็นสัตว์ตรีสารไม่สามารถจะไปเป็นเปรตอสุรกายหรือเปรตทุกจำพวกไม่สามารถจะไปทุขติอยาบยาบ ไม่มนุษย์ก็สวรรค์มนุษย์ก็เป็นสมุทรมนุษย์ที่เป็นโลกุตระสวรรค์ก็เป็นสวรรค์โลกุตระาาไม่ใช่สวรรค์โลกีคือสุวัตถิปโนสุวัตถิปโนเปิดประตูแล้วเปิดประตูโลกุตระแล้วถ้าใครยังเสียดายลางระเมิดเสี้ยนหา้าเสียดายลงอบายมุขเสียดายอยากจะถืออยูโยงโคงกระพันเสียดายอยากจะถือระลียามนี้เสียดายอยากจะคบเม็ดชั่ว เทวดาอยากค้าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ถวค่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษถ้าเทวดาอยากค่าขายเหล่านี้อยู่มันก็ไม่ใช่สุปจรปนุมันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้จนจะภาวนาเก่งสักเพียงใดก็าตามจนเหาะเหิหนโดยอากาศได้เหมือนพระเทวทัตก็าตามก็ยังเป็นพุ้ทุก์ชนคนหนาอยู่ พระเทวทัตยังมีกาอาฆาตอยู่จะแข็งดีเับพระบระมาศาสด า, ศามีน้ำซ้ำจะฆ่าพระพรมาศาสดาด้วยจะเป็นโลคุตระมาจ่าประตูดได้พระเทวทัตได้ฤทธ์ได้เดชก็ได้เป็นโลกีไม่ใช่โลกุตระยังไม่เห็นบาปตามเป็นจริงของบาปยังไม่เห็นอันตรายอันอันตรายอ่ายังไม่เห็นอนันตริยกรรมห้าอีกเช่ด้วยแต่ก็ ถึงอย่างนั้นท่านก็จะมาเป็นะปาพเจกในอนาคตเหมือนกันเพราะสร้างบารมีมาสงองอสงไขยแล้วยังแสนมหากับเท่านั้นเหตุนั้นในชาติที่เป็นพระเวสสันดรจึงสามารถลวงภาษาธีบุตรได้ภาษาธีบุตรเป็นอ จ, จุตรัษศีผ่านภาษาธีบุตรก่อนแล้ว ผานพระอนนท์ก่อนพระอนนท์เป็นนายพานเจตบุตรรักษาประตูฟ้าหิมะฟลาออกจากนั่นไปก็ไปเจอภาษาธีบุตรภาษาธีบุตรอยู่ในสระมุจลรินท์ฝากสระมุจลรินท์ไปจึงไปถึงพระบรมศาสราที่เป็นทวทตนนทนผู้สร้างบารมีสองอสงไขยแล้วสร้างเหนือภาษาธีบุตรแล้วเพราะเป็นภูมิของพระปเจก จึงสามารถลวงภาษาดีบุทได้สมัยนั้นก็พระษาดีบุทก็สร้างวรวใีหนึ่งอสงไขยแล้วยังแสนยังยังยั ง, ยงหลกลับอีกยังไม่เท่าพระเทวทัตเหตุฉะนั้นจึงลวงพระเทวทัตได้กระบอกอะไรนี่กระบอกสารตราที่จะไปนิมนต์ พระเวสสนาคืนมาสวยราบไอ้ที่แท้ก็ก็ บ, บอกพริกกระบอกขิงสําหรับเดินทางไกลร่รวงได้จริงหรือถ้าไปเปิดดูก็ได้เขียงมากกันทําไมจึงหลงเชื่อก็พระบาลเมยผู้นั้นเกียร้ากว่าจึงหลงเชื่อเราจะอยู่ในบารเมยท่านไหนเราก็สอบตัวเราได้เหมือนกันถ้าเรา ยังยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติอยู่ถ้าเรายังไม่ยินดีพระในพานให้เหนือสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็สอแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่เมื่อเรารู้บารมีของเราอ่อนอยู่เราก็ต้องสร้างบารมีขึ้นที่ดวงใจของเราไม่ได้นอนกินอยู่กับอ่อนถ้าเราเข้าใจว่า ยังไงก็ตามเขาจะพ้นทุกในวัตะสงสารโดยด่วนเห็นภผ่ในวัตะสงสารอย่างเต็มที่แล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้จริงแม่จะพูดออกมาอวดหรือไม่พูดออกมาอวดก็ตามก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วถ้าเราบวชมาเพื่อจะเปลี่ยนเพศเพื่อจะหาหากินง่ายในคราวาก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมีของเราเขายัางอ่อนอยู่บ้าง ถ้าเรายังสงสัยอยู่ว่ารัตที่อื่นศาสตราอื่นจะสั่งสอนดีทันสมัยยิ่งกว่าพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีสักยะทิฏฐิเป็นเหตุให้ถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาอยู่วิกิจิตฉาก็เป็นเหตุให้รังเลยในพระพุทธศาสนาอยู่ชีรพัฏป ร, ปรมาตก็เป็นเหตุให้รูปคลรมพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สบายใจมีหน้าที่เดินอย่างสบายไม่สงสัยเลยเดินน้อยก็ถึงน้อยเดินเดินน้อยก็ถึงถึงน้อยเดินเร็วก็ถึงเร็วไม่สงสัยว่าจะแวะซ้ายและขวาอีกเลยและไม่สงสัยจะถอยหลังอีกเลยสหวนพวกที่เป็นเอกภพีเป็นพวกที่โทสะจดิตจ ะ, จะรู่เร็ว พระบรมสารพระมารดาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราคงจะเป็นเอขปีเคมีพืชอันเดียวเพราะจะเกิดอีกชาติหนึ่งจะเกิดในเมืองพารานสีเมืองพารานสีจะได้ชื่อว่าเมืองกุตุมมวดีจะได้เป็นพระมารดาของพระศีอรยเมตใจเพรพระศีอริยเมตใจ ในทัศน์รู้เลยก็จะประเทศก็จะเทศเอว า, านนามานาก็จะถึงพระโสดาบันอ๋อมานาก็จะถึงพระอรหันต์พระปารถนาเป็นมารดาของพระที่เจ้าห้าพระองค์มาแล้วมาแล้วสี่พระองค์ยังเหลือแต่พร ะ, สระเสด็จอนตไตายบางท่านก็บอกว่าพระเสด็จอนเมตใหตายลงมาแล้วลงมาช่วยศาสนาพระโคดมว่าอย่นั้น อันนั้นโกหกเขากินขนมยังไม่มาดอกเพราะแต่พระศีลเมตตาได้มาบวชกับพระสมมาทั้งพทธเจ้าของเราชื่อพระอชิตะนี่ท่านมรณธรรมไปแล้วในชั้นดูสิคงไม่พอสามเดือนจะลงมาทำไมพระพาพวกเทวบุตรเทวราประกาบว่า ถ้าเจดตเจ้าจุลนามนีประปจำวันอยู่ประจําเช้าอยู่วันละเก็บแสนโกดบริวารของพท่านพวกเก็บแสนโกดนั่นเองจะได้ลงมาพ่อพระศีลพระศีลจะเมตตา ท, ท่านท่านไม่ข้อวัดอยู่ไปไหว้ท่าเจดตเจ้าจุลนามนีเวลาเช้าเก็บแสนโกดบริวารของท่านเก็บแสนโกดจะมีกีลา้าง สิบล้านจึงเป็นโกดในประเทศในชาวโลกเรานี่มีพ่อพันมีมีพอหมื่นล้านไหมมีพอล้านล้านไหมไม่มีถ้าอย่างนั้นศาสนาพิเศษเมตไตรพวกที่จะลงมาเกิดกับท่านก็มีมากมายอยู่แล้วพวกตินนวาลนัฐทานผ้า ขี้เล้วอนะที่เราเอามาเทศรลองกระหินก็จะจะได้ไปเกิดเป็นสาวกอรหรันข้าพภาษีแม่ใยอีกอ ง, อ, งองหนึ่งเหมือนกันเด็กไปเรียงโคแบ่งข้าวให้พวกเรียงโคกินเธอไม่พิรามานาของเธอไม่อดอาหาร เวลามานาของผมอดอาหารถ้าให้ผมกินด้วยเธอว่าแกก็แบ่งให้กินเือะแยะโผล่อันนั่นก็จะได้ลงมาเกิดก็พระศีอเมียตัยมันกันเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้มาจินาบาลก็อยู่ก็พระศีอเมตไตัยยังไม่ได้มาจะลงมาเพรอมพระศีอเมตไตัยมือนกันส่วนสุปฏิทิฏตาเทวบุตรก็เหมือนกันยังไม่ได้ลงมาอันนั่นก็เป็นเรื่องของท่าน แต่เป hey, ็นเรื่องของเราก็ไม yeah, ่อีกเราปลบเรื่องอื่นมาทำไมเพื่อปลุกศรัทธาของเราให้เชื่อเพิ่มเข้าเรื่องดีเราก็จะเอามาเป็นเรื่องอย่างเรื่องชั่วเรื่องชั่วเราก็เอาเป็นเรื่องอย่างเหมือนกันเอาเป็นเื่องอย่างเพื่อจะได้เว้นทางชั่วเขาเป็นอาจารย์ทางดีก็เป็นอาจารย์เหมือนกัน ทางดีเป็นอาจารย์เพื่อจะเราเราจะเอาตัวอย่างปฏิบัติตามปฏิกำลังทางชื่อเราก็จะพยายามเว้นตามปฏิกำลังก็เป็นอาจารย์ทั้งสองทางเมื่อความดียังไม่พอก็เป็นหน้าที่จะสร้างก็คือบุญไม่พอนั่นเองความดียังไม่พอถ้า ค, ความดีพอแล้วก็คือบุญพอแล้วนักบาปก็ละพอไปในตัวถ้าละบาป พ, พอแล้วบุญก็พอไปในตัวถ้าสร้างบุญพอแล้วบาปก็พอไปในตัว ก็หนีบาปไปในตัวบาปในทางพระพุทธศาสนาจักถึงพระอนาคามีส่วนอรหัตมักอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อของอรหัตผลส่วนถึงอรหัตผลแล้วบาปก็พอแล้วเว้นพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วเป็นผลขาดตอนไม่เชื่อมโยงมากับเหตุเลย พระบรมศราสดาบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงวิสาสัอย่านอนใจเนบางทีจะเสียใจในภายหลังถ้าท่านทั้งหลายยังไม่พ้นทุกโดยสิ้นเชิงท่านทั้งหลายอย่าไป น, นอนใจเนิ่นพระบรมศราสดาเดี๋ยวจะเสียใจในไายหลังถ้าพวกเธอยังไม่พ้นทุกในวัาสงสารโดยสิ้นเชิงแล้ว เพราะเธออยาสําคัญตัวเป็นผู้ฉลาดความสำคัญตัวก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นของพเธอทั้งหลายอย่างจำจำที่สุดถ้าเธอยังไม่ถึงพระโสดาบันเธ อ, อยาเข้าใจว่าเธอเข้าถึงพระพุทธศาสนาเลยพระพุมศาสนาเธอยังไมเ่เปิดประตูพระ น, นิพพานเธอยังเป็นโลกีอยู่เมื่อเธอถึงพระโสดาบันแล้วเธอก็อย่านอนใจ จงทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยรวนจนทิ้นเชิงเถิดเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพราบรมศาสตร์คำสอนจากพระระบาดก็คล<ๆ>้ายๆคบว่าเรื่องเรียกพวกเราอยู่ชาวโลกเอ๋ยชาวโลกเอ๋ยมาเถิดมาเถิดยาพา ก, กันตอนนอนใจนัคกคล้ายๆคำรองเรยียกอย่างนั้นแหละแต่พวกเราก็เป็นคนหูหมวกตาบอดก็รับหูรับตาอยู่ บางทีบางทีก็จะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราแต่ว่าพู้ลืมตาเนี่วก็เพาะอาไยด้วยถ้าฝนน้ำมันตานีุทมอภิษแล้วลึกเก้าแล้วลึกถึงคำาสียข้ออยู่พระเจ้าค้าแล้วลึกยังไงแล้วลึกอย่างนี้พระเจ้าค้าอภิษจักกระถาใ้้คำที่จะนำให้มีความฝาดสนาน้อยสองสันติกระถา ถ้อยคําที่จะนําให้สันโดษยินดีด้วปัจจัยตามมีตามได้สามประเวก็คถาถ้อยคําที่จะนําให้สังข์ใจซาบใจสีอสังสักขคถาถ้อยคําที่จะนําให้รัะคนด้วยหมู่ห้าวิทยานำพรคถาถ้อยคําที่จะนําให้ป้ารบความเพียรหกสีลกคถาถ้อยคําที่จะนําให้ตั้งอยู่ในศีลเจ็ดสมาธิคาถาถ้อยคําที่จะนําให้ทําใจให้สงบแปดปัญญาคถาถ้อยคําที่จะนําให้เกิดปัญญาเก้า ในมุติคถาถ้อยคําที่จะนําให้ทําใจให้พ้นจากกิเลสสิบในมุติญาณทัศน์สารคถาถ้อยคําที่จะนําให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสเออถูกแล้วดีละ่ะดีละ่ะแต่ยังอยู่อีกข้อหนึ่งคืออะไรคือธรรมนีิชเป็นของเจ้าแม่กวนอิมชาเนอพระบรมศาสนร า, ศ า, ศาเพิ่มอีกข้อหนึ่งสักแต่สิบข้อนั้นถูกแล้วเป็นสิบเอ็ดข้อสัพระบรมศาสนร า, ศ า, ศา คำสอนแต่และบทาบาทเตือนเราอยู่ไม่มีกลางวันกลคือนักเทศเอกเพราะเรามาสาธาณาไม่ไม่มีเอวังร่างกายของพวกเธอทั้งหลายเต็มหรือของพวกเราทั้งหลายมีแต่ ม, มูดแต่คูเ่มมเต็มอยู่เนื้อเมื่อมูดคู่เต็มอยู่ร่างกายร่างกายก็ไม่มีเอวังใช่ไหมเราเราเทศกันมีเอวังเอวังแปลว่าดังนี้หรือนิสทีตางแปลว่าจบเพียงนี้ แต่พระพุทธศาสนาแต่ความจริงแล้วไม่ลงธรรมาะเลยความแก่ก็ไม่ลงธรรมาะความเก็บ <Gym>. ก <Napoleon> ็ไม่ลงธรรมะความตายก็ไ <getting> ม <gamma enders> ่ลงธรรมาะไม่มีเอวังไม่ได้เทศเอาตังค์ใครเทศอยู่ไม่มีกางวันกลงคือไม่ได้เทศเอาราบเอายอดกับใครเลยไม่ได้เทศเอาคะงานกับใครเลยเทศอยู่ไม่มีกางวันคือความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีกางวันกคือ ความเก็บก็เจ็บอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนหายใจเข้าออกก็คือกันความเก็บใค่ไหมความเก็บเกิดขึ้นจากเปลี่ยนอธิยาบทไม่เสมอเหตุ น, นั่นจึงเปลี่ยนอธิยาบทบ่อยๆเวลาเราไปนั่งภาวนาเรานิ่งอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนให้มันมันจึงจะตายเขานเห็นไหมหมันอยากเปลี่ยนอธิยาบทอธิยาบทปิดบังทุกถ้ามันนั่งทุ ก, ก็เดินซะถ้าเดินทุ ก, ก็นั่งซะ เหนียวมาก็ทักท้าอย่างนี้เรียกว่าอิริยาบถปิดบังทุกความเป็นก้อนเป็นท่อนปิดบังอนัตตาเพเป็นก้อนเป็นท่อนมันเปิดบังอนัตตาสัญติความสืบต่อปิดบังอ น, นิจจงต่อไปนี้ก็สมควรเก็บเวลาด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามันมีประมาณ แล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อนล้ก็เหนือโรกอยู่ทุกยุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีย้งประสบจากความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัพพุทธเจ้ายิ่งเย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วน ในวัชิวรนาจิดปัชิวรนาธรรมโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอ